พาอใหนี้สติปัญญาที่จะสลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่มห้มาถาเพาะฉนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสําคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกไประสมไหนที่นสติตามแนยไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติญญมีอยู่ไม่เป็นสัญญาเพราะเพลิสติเป็นสัญญาไปตาม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 ควทุกข์ที่เกิดมันก่อปวยขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลําดับลําดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนนีเราต่อให้ในรกไฟนรกเผาอยู่ทั้งวันนักเกินยังไม่ทราบในโลกและจะทหารนรกสีไหนอีกนี่ให้เรายน่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งอยู่ภายในานี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนโลกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองแหละไมนต้องมีใครมาบอก สวรรนั้นก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอาจในธรรมที่มีอยู่ภายใยจิตใจความสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของกิตนี่จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิจที่บอกอยูภายใตูเสร็จแล้วผูนี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉนั้นงต้องปรับปรุงพวกนี้ให้ดีให้ถูกต้อง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 สติปัญญาอย่างลงไปค้นค้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความอุญากแางไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไหมอาหารรู้ทันถืออยู่ไหนก็อยู่ทิ้งท่มาบุษิตังประมาจาริยังกตังเกงินนอย่างนั่งนะกระจัก